ตาครับครับไอไอที่ที่ว่าตัวผูรู้พูดคนเดียวยมันใช่ไอตัวนั้นไหมครับที่ว่าสมมติว่าเราโกรธหรือเราอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาว่าเอ้ยแกโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะแล้วทีนี้มันก็จะมีมีเหมือนกับอีกตัวหนึ่งรู้รู้สึกมายืนคุมอยู่ข้างหลังอ่ะเหมือนกับมันดูอยู่ว่าเฮ้ยแกะ ก, ะก็นี่แกรู้สึกแล้วนะเนี่ยไอแกรู้สึกท้เป็นเหมือนกับมีตัวอีกตัวเฮ้ยแกก็รู้สึก ด้วยหรือนี่อะไรอย่างนี้ครับทํานองนี้หรือไม่หรือไม่เราก็อยู่อย่างเนี้ยอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะมีมีคิดไปเรื่อยๆเรื่อๆรื่อยๆที่เราเราเห็นมันอยู่อย่างเงี้ยครับอันนี้ใช่ไหมครับท่านจานน๊ะแน่แน่แล้วอย่างว่ามันมันคิดอะไรไป gy, <S <S เรืเ่อยๆเรื่อยๆไอตัวที่ไปเห็นว่าเราคิดหลายเรื่อยๆไอตัวนี้ก็มันก็มันก็บนนอีกมันก็บบนนกพูดอีกโอ<ฮ>้เช่นมันพูดว่าโอ้เรานี่คิดมากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยเนี่ย อาจารย์บอกเราเพิ่งจะเห็นเนี่ยครับอ๋อเราคิดมากนาดาษเนี่ยไอ้ตัวหลังๆที่เราไปรู้เห็นอีกมันก็พูดอีกทุกตัวเนี่ยเป็นจิตหรือวิญญาณขันหมดเลยมันจะพูดอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะตายแล้วก็แต่ไม่มีใครไปยุ่งมันไม่มีใครเห็นได้แต่เห็นมันรู้มันจับแต่ว่าเห็นมันรู้มันไม่มีใครไปไปลองรับไม่มีใครไปไปยึดมันไม่มีใครไปสำรวจมันครับไม่มีใครพยายามไปแทรกแซงมันปล่อยให้มันเนี่ยทุกตัวเนี่ยไปรู้ไปเห็นแล้วมันพูดหมดเลยมันพูดมันบ่นมันพากอยู่ในใจตลอดเวลาจนกว่าจะตาย ก็ปล่อยมันภาคไปแต่เราไม่ภาคครับปล่อยใหจิตมันภาคไปเพราะว่าไอ้จิตที่ภาคามามาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยไม่ภาคตัวเราอ่ะไม่ภาคครับเราเนี่ยคือเออเป็นอะไรเขาเรียกอะไรวิญญาณธาตุธาตุรู้เป็นอมตะธาตุอมตะธรรมเป็นสุญญตาธาตุเป็นวิสังขารเป็นอสังขตรธาตุที่มันภาคไม่ได้พูดไม่ได้บ่นไม่ได้ แต่ตัวที่มันภาคได้บนได้เป็นจิตวิญญาณนักขัและจิตวิญญาณนักขัเนี่ยพอไปรู้ไปรู้ปั๊บไปรู้ว่าตัวเราพาคไปรู้ว่าจิตหรือวิญญาณนักขัมันภาคมันพูดอยู่ในใจเนี่ยแล้วก็เสี้ยวนาทีเดียวที่ไอ้วิญญาณนักขันในจิตวิญญาณนักขัเนี่ยมันไปรู้ปุ๊บตัวมันเอกภากแล้วพูดตัวมันก็เลยกลายเป็นธรรมอารมณ์ไปเป็นธรรมอารมณ์คือเป็นอาการของใจที่ถูกรู้โดยจิตวิญญาณนักขัตัวตัวใหม่ แล้วพอจิตวิญญาณธนาคารตัวใหม่มารู้ไอจิตวิญญาณธนาครตัวแรกที่มันส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารมันภาคมันพูดอยู่ในใจนี่ยไอจิตวิญญาณธนาคารตัวใหม่เนี่ยพอมันรูปับมันก็ภาคแล้วก็พูดต่อเหมือนกันตัวมันก็เกิดมาเป็นวิญญาณธนาคารแป๊บเดียวมารู้แป๊บเดียวแล้วมันก็กลายไปเป็นธรรมอารมณ์คือไปภาคไปพูดเหมือนกันทุกตัวไปจนกว่าจะตายแล้วก็พอมันไปพาคไปพูดปุ๊บมันเลยกลายไปเป็นธรรมอารมณ์คือเป็นอาการที่ถูกรู้แล้วมันก็จะมีไอจิตวิญญาณธนาคารตัวใหม่เนี่ย มันรู้ไออไอตัวแรกๆที่ภาคและพูดแล้วไอจิตวิญญาณขันตัวใหม่เนี่ยมันเกิดมารู้แป๊บเดียวเสียวันน oh, er er ี้ทีเดียวมันก็กลายไปเป็นตัวภาคและตัวพูดคือไปเป็นธรรมบรมที่ถูกรู้ด้วยวิญญาณขันตัวใหม่เลื่อยไปอย่างเงี้ยและวิญญาณขันทุกตัวที่ไปรู้อาการทางใจเนี่ยมันจะภาคจะพูดทุกตัวแต่ตัวเราเนี่ยไม่ภาคไม่ภาคไม่พูดด้วยแต่รู้ว่าตัวเราทุกตัวที่ไปรู้อะไรเนี่ยมันภาคและพูดทุกตัวเลยในใจไอตัวที่มารู้ว่าตัวเราพากและพูดไม่หยุดเนี่ย ไอ้ตัวนั้นเนี่ยคือจิตเดิมแท้แต่อวินจิตวิญญาณขันเนี่ยมันไปรู้อะไรทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้รู้ทำมารมณ์รู้อากาศของใจมันจะมีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนรู้ตัวเราเป็นคนรู้รู้น่ะรู้นี่แล้วตัวเราก็ทั้งรู้ทั้งพาดทั้งรู้ทั้งคิดติกต่อทั้งรู้ทั้งพาดทั้งรู้ทั้งคิดตึกตองแต่ไอ้ตัวเนี่ยตัวจิตเดิมแท้เนี่ยมันจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยไปรู้อะไรทั้งคิดทั้งพาดทั้งพูดทั้งคิดทั้งพลาดทั้งพูดอยู่ในใจตลอดเวลาเลย ออแล้วเราเคยสัมผัสจิตเดิมเดิมแท้ในบางขณะได้บ้างหรือเปล่าคะในชีวิตประจำวันหรือว่าในที่เรายังไม่อ่าบรรลุนิพพานเนี้ยค่ะคือเราเราสามารถที่สัมผัสได้สักแวบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเป็นจิตเดิมแท้ด้วยได้หรือเปล่าคะคือมันเนส่วนใหญ่มนเนี่ยทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันจะหลงเอาตัวเราไปคิดโน่นคิดนี้คิดนั่นคิดนี้คือหลงตัวเราเนี่ยเอาตัวเราไปเป็นขันห้าคือเป็นวิญญาณจิตวิญญาณขันหมด คือเอาตัวเราเนี่ยไปนคนคิดคือเราไปรู้เห็นอะไรเนี่ยเอาตัวเราไปนคนคิดหมดเลยเราเอาตัวเราไปคนรู้แล้วเอาตัวเราเปนคนคิดติดตองเอาตัวเราไปนคนคิดภาพไม่ว่าเราจะไปรู้อะไรทางตาหูจังหวะลิ้นกายใจเนี่ยเราจะเอาตัวเราไปนคนไปรู้แล้วตัวเราเปนคนคิดภาพแต่เราไม่เห็นตัวเราเนี่ยคิดภาพอะไรอยู่ในใจส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะไม่มีใครเห็นเนี่ยไอตัวจิตเดิมแท้ที่รู้ตัวเราแต่ถ้ามีคนชี้แน่หน่อยเดียวก็สังเกตไม่ยากเดี๋ยวก็สังเกตได้อย่างเช่นสมมติว่า เนี่ยตามองเห็นหลวงตาอยู่นะตอนเนี้ยนะตามองเห็นหลวงตาก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ที่มารู่ทางตาเนี่ยก็คือจิตหรือวิญญาณขันที่มารู้ที่มารู้หลวงตาว่าหลวงตาเนี่ยนั่งพูดอยู่หูก็ดียินเสียหลวงตาแต่หูก็ดียินเสียหลวงตาพูดอยู่ตัวเนี้ยทั้งที่ตามองเห็นเนี่ยหูได้ยินเนี่ยแต่แท้จริงเนี่ยมันรู้โดยจิตหรือวิญญาณขันไอ้ไอ้จิตหรือวิญญาณขันเนี่ยมันก็ รู้ทางตาแล้วก็รู้ท้งหูด้วยดันั้นจิตวิญญาณขะครัที่รู้ทางตาท้งหูเนี่ยมันมันรู้เสร็จแล้วมันจะต้องทั้งรู้ทั้งคิด fi ทั้งผ้าทั้งติดกองอยู่ในใจทั้งรู้ทั้งคิดทั้งผ้าทั้งติดกออยู่ในใจนี่คนทั่วไปเนี่ยเวลาเห <iß S 1> ็นเห็นรูปเนี่ยมันก็จะเห็นแต่รูปจะสนใจแต่รูปฟังเสียงก็สนใจแต่เสียงเห็นตรงนี่ยเนี่ยลงตานั่งอยู่เนี่ยก็สนใจแต่ที่จะจะเห็นลงตาลงตาพูดอยู่เนี่ยก็ดีแตสนใจแต่ว่าลงตาพูดว่าอะไร แต่ไม่ได้สังเกตดูจิตวิพพาณนักขัเนี่ยที่ประตูใจเนี่ยมันพากและพูดว่าอย่างไงเวลาตามองเห็นลงตาเนี่ยหู rus, ได้ยินเสียงเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็<อ>จะมองมองเห็นที่รูปดูที่รูปแล้วก็ฟังที่เสียงแต่ไม่ได้ดูที่ประตูใจไม่ได้มีสติเนี่ยสติเนี่ยมาตั้งที่ตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตที่ประตูใจมันก็เลยไม่เห็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยจิตวิพพาณนักขัเนี่ยมันรู้แล้วมันพูดว่าอย่างไงมันคิดติดต่อว่าอย่างไงตอนนี้เนี่ยแม้แต่ฟังลงตาพูดอยู่เนี่ย ถ้าเราเนี่ยมีสติสังเกตยอยู่ที่ประตูใจเราก็จะเห็นแล้วว่าระหว่างฟังลุงตาพูดอยู่เนี่ยข้างในใจเราเนี่ยที่ประตูใจเนี่ยมันคิดติดตองว่ายังไงมันพากันพูดแข่งกับลุงตาว่ายังไงอันเนี้ยถ้าเราดูอยู่ที่ประตูใจเนี่ยแล้วเราเนีด้แน่ก็จะพบจิตเดิมแท้แล้วอย่างตัวเนี้ยตามองเห็นลุงตาอยู่เนี่ยหูก็ได้ยินเสียงลุงตาแล้วได้ยินเราได้ยินเสียงเขา เ, าเอาอะไรอ่ะเข้าไอา เครื่องเขาก่อสร้างมีงานตัดเหล็กตัดอูนะไรแจ้ดแจ๊แจ๊อยู่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยใจเราเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเรามีสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตที่ประตูใจเราจะรู้เลยว่าใจเราคิดยังไงพาคยังไงในใจมันจะภาคแข่งซ้อนที่ดวงตาเนี่ยพูดอยู่ตลอดเวลาเห็นเอ๊ะเราทำไมฟังไม่รู้เรื่องเอ๊ะเราเป็นละมึนเอ๊ะเราทำไมงงเอ๊ะทำไมไปไนอะไมอย่างนี้เอ๊ะอย่างนั้นหรือว่ามันไปคิดอย่างอื่นเลยมันหลงไปคิดอย่างอื่นเลยถ้าเราสังเกตอยู่เนี่ยแม้แต่ตามองอยู่ดวงตาเนี่ยหูฟัง ถ้าเราเนี่ไม่เคยไม่เคยพาดเลยที่จะสังเกตอยู่ที่ประตูใจตลอดเวลาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจิตวิญญาณนักันเนี่ยมันภาคและพูดไม่หยุดตลอดเวลาเลยพูดแข่งกับตาตลอดเวลาเลยพูดอยู่ตลอดพูดพูดพูดพูดพูดพูดนั่นพูดนี่อยู่ในใจตลอดเวลาเลยเนี่ยเวลาเราไปเห็นอะไรชิตประจําวันเนี่ยเราจะเห็นแต่รูปเราจะได้ยินแต่เสียงเราได้กินอะไรหรือเราเรากินอาหารเนี่ยเรากินอาหารอยู่หรือเราไปสัมผัสอะไรเราต้องสังเกตที่ประตูใจตลอด ภายนอกเนี่ยเราจะต้องทํางานไม่ให้ผิดพลาดแต่เราทํากิจาการงานในภายนอกทุกขณะปัจจุบันเราต้องมีสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตที่ประตูใจแล้วก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ที่ประตูใจสังเกตให้ดีๆที่ประตูใจเนี่ยมันพูดและภาพไม่หยุดเลยไม่ว่าเราจะเห็นอะไรได้ยินอะไรไม่ว่าจะไปรู้อะไรไอ้นี่ยคือจิตหรือวิญญาณาขันมันจะพากเรพูดไม่หยุด <S <S อันนี้แล้วเราก็ฝึกให้มันสักแต่ว่ารู้ที่ประตูใจว่ามันจะพาก และพูดยังไงก็จ้างมันคือตอนแรกถ้าหลวงตาถ้าเราจะเริ่มฝึกคือรู้ว่าหลงแล้วก็รู้ไปก่อนใช่ไหมคะหลงหลงแล้วรู้คือเราหลงเรื่องอะไรคือเราดูอารมณ์ก่อนหรือเปล่าคะเวื่อเราโกรธเนี้ยอารมณ์โกรธอารมณ์น้อยใจหรืออะไรเงี้ยคะ่ะเอออันนี้มันก็มันก็ธรรมดาแล้วแหละมันก็ฝึกมาพร้อมกันนี่แหละเราอย่าไปตั้งอย่าไปตั้งเงื่อนไขก่อน ว่าไม่เอาเ๋ยขอฝึกแค่เนี้ยถ้าเราไปตั้งเงื่อนไขว่าเดี๋ยวขอฝึกแค่เนี้ยเราขอแค่ฝึกแค่รู้ตรู้ทานอารมณ์ก่อนยังไม่ไม่มาฝึกถึงขั้นในไอ้ผู้รู้ที่มันคิดติกตอนพุ่งแต่งไม่เอาไม่เอาเรายังไม่เอาแค่เนี้ยเราขอฝึกแค่รู้ตรทานอารมณ์พอแล้วหรือว่าเราไม่เอาไม่เอาอ่ะหลายคนชอบเอาไอเอาเหมือนอธิษฐานจิตเลยตัวเนี้ยเอาไอ้ฐานจิตมาปิดกั้นธรรมของตัวเองบุญบารมีของตัวเองคือเดินไม่รู้ตัวนะอันเนี้ยทำไปเดินไม่รู้ตัวหลายคนเนี่ยชอบเอาความคิดมา เอามาปิดกั้นเลยเอามาปิดกั้นบุญบารมีของตัวเองแล้วแต่ว่าใครจะคิดอะไรไม่เอาพอฟังฟังธรรมลูกตาเนี่ยกำลังฟังอยู่เนี่ยไม่เอาว่าเอาแค่นี้ก่อนเรายังฟังอย่างนี้มันลึกเกินไปไม่ใช่ของเราแค่เนี้ยแทนที่เราจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมไปด้วยมันตัดขาดไปเลยเราปิดปุ๊บไปเลยเอาความคิดเราเนี่ยมาปิดไปหมดเลยเหมือนอธิษฐานจิตเลยหรือว่าไม่เอาว่าเราแค่ใช้ประจำวันแค่สวดมนต์ไหว้พระพอแล้วยังอื่นเรายังไม่ยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะทําทเราไปคิดแค่เนี้มันละมัญหาไปหมดเลย เราไม่สามารถต้องทํารู้เรื่องและทํานั้นก็จะไม่ไหลเข้าสู่ใจเพราะว่าเหมือนกับฝนมาตกจากฟ้ามาเหมือนตอนนี้ฝนตกแต่เราปิดฝาองค์ไว้เราเอาความคิดของเราเอ า, เอาการอธิษฐานจิตของเราเนี่ยความคิดเราเหมือนเหมือนการอธิษฐานจิตมาปิดฝาองค์ไว้หลายคนชอบทําอย่างเนี้ยโดยไม่รู้ตัวเหมือนอธิษฐานจิตแล้วก็ปิดฝาโอค์ไว้เลยฝนน่ยเหมือนกับธรรมะของพ่อแม่ผูู้บาอาจารย์จากพุทธเจ้าของพระธรรมพระดิศส่งพระอาหันเนี่ยตกมาทั้งฟ้า มีเมตตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมีมีตลอดเวลาในธรรมชาติในจักรวาลเนี้ยทำอะตกให้ตลอดเวลาแต่ใจเราไม่เปิดเราความคิดเราเนี่ยไปปิดหมดเลยเราไม่เปิดฟ้าองพอเราไม่เปิดฟ้าองเนี้ยฝนตกให้ตายอะทำมันก็ไม่ไหลเข้ามันก็ไม่ไม่ไหลเข้าองอย่าไปคิด่ะเนี่ยไมเเดี๋ยวหนูขอแก่รู้ต้านอารมณ์ก่อนเ <c oughs> รายังไม่รู้ <c oughs> ต้านความคิดก็ความขีดกัอารมณ์มันไปด้วยกันพอเราตัวติขาดเนี้ยเราก็จะหลงไปเนี่ย หลงไปกับรูปหลงไปกับเสียงหลงไปกินหลงไปกับรสหลงไปกับอารมณ์ต่างๆอหลงไปกับอารมณ์ต่างๆพอเราเราหลงไปอยู่เรื่อยหลงคิดหลงเพลิดเพลินจเจริญใจคิดถึงคนนั้นคิดถึง terribly, คนนีค้คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตคิดถึงเรื่องในอดีตอันนี้ไม่มีโอกาสรู้เลยเราจะไม่มีโอกาสรู้เพราะว่าพ้าเราหลงอ่ะเราก็ฝึกพร้อมกัน่พอมันหลงแ ล, ล้วรู้สตัวมาแล้วเราพอรู้สึกตัวปุ๊บเราก็สังเกตุที่ดีๆในขณะที่เรารู้สึกตัวเนี่ยว่าใน ใ, นใจเราเนี่ยมันคิดอะไรพอเรา รู้สึกตัวแล้วไม่ใช่ว่าเราจะดับได้นะความคิดเนี่ยต้องการให้รู้ความคิดเห็นความคิดแล้วเราก็สักแต่ว่ารู้ไม่ใช่ว่าเราไปไล่ดับความคิดให้มันคิดเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะหลงขาดสติไปถ้าเราหลงขาดสติปุ๊บเราก็ไปเนี่ยนะคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตคิดถึงคนรครนั้นคิดถึงคนนี้ไปทํางานก็อยู่แต่งานพออยู่ครอบครัวก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับมีแต่เรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องการทำงานบ้านเรื่องเนี้ยอย่างนี้ยคือถ้าเราเนี่ยไปมีแต่สิ่งที่ถูกรู้ คือชีวิตประจําวันเราเนี่ยเห็นแต่รูปได้ยินแต่เสียงได้กินรู้รสที่กินแล้วก็รู้สัมผัสแล้วก็คิดนั่นคิดนี่คิดเรื่องนั้นคิดึเรื่อ ง, งนี้มีแต่เรื่องครอบครัวมีแต่เรื่องครอบครัวทั้งวันมีแต่เรื่องงานบ้านมีแต่เรื่องงานที่ทํางานประจําที่ทําอย่างนี้เรียกว่าหลงเรียกว่าส่งจิตออกนอกถ้าเราเนี่ยส่งจิตออกนอกไปหาสิ่งที่เรารู้เนี่ยเรียกว่าส่งจิตออกนอกเราจะต้องรู้ที่ผู้ที่รู้สังเกตที่ผู้รู้คืออย่าปล่อยให้หลงไป อย่าปล่อยให้มันขาดสติลงไปหาสิ่งที่ถูกรู้คือรูปรดกลิ่นเสียงสัมผมัสและก็อาการของใจให้สังเกตว่าตัวเราเนี่ยผู้ไปรู้รูปรดกลิ่นเสียงสัมผมัสและอาการของใจเนี่ยมันคิดมันอย่างไรมันคิดตึกตองว่าอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้นตลอดเวลาเลยให้สังเกตที่ประตูใจว่ามันคิดตึกตองกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรถ้าตาบดาเนี่ยเราเห็นว่าจิตใจเราเนี่ยภายในประตูใจเนี่ยมันคิดตึกตองอย่างไงอย่างเงี้ยเราจะไม่หลง แต่พอมันหลงไปแล้วเนี่ยหลงไปกันไปกับรูปล้กจิ่นเสียงสัมผัสหลงไปมีอารมณ์นะหลงไปกับอารมณ์เราก็รู้สึกตัวขึ้นมาแต่พอเรารู้สึกตัวมันไม่ใช่ว่าเรามัวไปทำให้อารมณ์ดับนะพอเรารู้สึกตัวแล้วเราต้องเกตดูว่าระหว่างที่มีอารมณ์เนี่ยเราคิดปรุงแต่งอย่างไงเช่นว่าเพราะว่าอะไรอีกและชอบพูดอย่างเนี้ยนิสัยไม่ดีเลยชอบอย่างนั้นชอบอย่างเนี้ยมันก็จะเห็นว่าตัวเราในคิดหละ่ะตอนเนี้ยไม่ใช่ว่าเราไปรอให้อารมณ์ดับก่อนแล้วเราค่อยฝึกได้ ไปฝึกรอใอารมณ์ดับก่อนแล้วก็ฝึกได้ไม่ใช่ตอนมีอารมณ์เนี่ยมันจะดีมากเลยจะเห็นเราคิดอ okay. ถ้าเราไม่มีอารมณ์เราก็แช่ไปเฉยเฉยไม่มีใครมากระทบไม่มีอารมณ์แช่สบายไปแล้วก็ไม่เห็นความคิดอันนี้ยิ่งฝึกยากแก่เลยพอเราไปรู้ว่ามันคิดอะไรเราคิดอะไรไอ้ตัวเราผู้ไปรู้ว่าเราคิดอะไรเนี่ยมันก็จะคิดอีกมันอย่างเงี้ยไม่มีที่จบสิ้นไอ้ตัวเราเนี่ยที่ไปรู้ว่าเราคิดอะไรไอ้ตัวเราที่ไปรู้มันก็จะคิดอีก มันจะคิดซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนอย่างเงี้ยจู่กว่าเราจะตายเนี่ยเป็นกระบวนการทํางานของขันห้าเราก็จักแต่ว่าเห็นตัวเราเนี่ยที่ไปรู้อะไรตัวเราก็คิดตลอดเวลาเลยต้องคิดขึ้นมาใหม่เราไปรู้อะไรตัวเราก็ต้องคิดขึ้นมาใหม่เลยเรื่อยไปจะเอ่อยกตัวอย่างเออหนังเรื่องเนี้ยเราก็ชอบยกตัวอย่างเลยมีหนังเรื่องหนึ่งนะ เรื่องตักมอเนี่ยหนะเรื่องตักมอมีห้องกรรมฐานเนี่ยพระที่เข้าห้องกรรมฐานก็มีกฎว่าถ้าพูดกันสามวันพระเอาเข้าเข้ามาห้าพูดการสามวันใครเข้าอยู่ในห้องนี้ห้าพูดกันสามวันต้องปิดวาจาก็มีพระเข้าไปสี่ห้าลูป พระที่เข้าไปสีหรูมีองค์หนึ่งเป็นเป็นพระอาหารหันพระองค์แรกเห็นลมพัดเข้ามาพัดหน้าต่างเปิดพัวออกมาไฟเทียนดับพระองค์แรกเลยพูดว่าไฟดับแล้วไฟเทียนดับแล้วคือผู้รู้ตัวที่หนึ่งคือจิตวิญญาณขันน่ะคือเราเนี่ยเปรียบเหมือนตัวเราเนี่ยผู้รู้ ผู้รู้อันที่หนึ่งไปรู้อะไรก็รู้ว่าไฟเทียนดับแล้วนี่ไฟเทียนดับแล้วพระองค์ที่สองคือตัวเราเนี่ยผู้ไปรู้ไอ้จิตหรือวิญญาณตัวแรกที่มันพูดว่าไฟเทียนดับแล้วไอ้ตัวเราเนี่ยคือเป็นจิตวิญญาณตัวที่สองเหมือนพระ อ, องค์ที่สองเนี่ยพอไปรู้ปุ๊บมันก็พูดว่านี่ห้องกรรมฐานนะเขาห้ามพูดทําไมไปพูดล่ะ นี่คือผู้รู้ตัวที่สองพอรู้ปุ๊บมันต้องพูดเลยนี่คือธรรมชาตินะธรรมชาติเราจะดับไม่ได้เลยนะเพราะมันไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราตัวเนี้ยมันเป็นจิตปรุงแต่งพอไอ้ผู้รู้ตัวที่สามเนี่ยคือพระองค์ที่สามมารู้ว่าองค์แรกองค์ที่สองพูดมารู้ว่าองค์ที่สองพูดองค์ที่สามก็พูดว่าไอ้ที่ท่านว่าเขาเนี่ย ที่ท่านว่าเขาเนี่ยท่านก็พูดนะเนี่ยที่ท่านว่าเขาพูดเนี่ยท่านก็พูดนั้นองค์ที่สี่รู้จะมีมีหลายองค์สมมติเราไียาวไปเรื่อยๆองค์ที่สี่มาเห็นองค์ที่สามพูดว่าเขาองค์ที่สี่รู้ปุ๊บเนี่ยไอ้จิตหรือวิญญาณเนี่ยมันเป็นธรรมชาติองค์ที่สี่รู้ปุ๊บมันก็ว่าอีกว่าไอพี่ไปว่าเขาพูดเนี่ยท่านก็พูดองค์ที่ห้า อจิตวิญญาณขันอันที่ห้าคือตัวเราเนี่ยแน่มันจะมันจะรู้แบบนี้ซ้อนๆไปอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะตายไม่มีที่จบสิ้นคือไอ้จิตวิญญาณขันเนี่ยอันที่ห้าองค์ที่ห้าแต่ว่ามีหลายองค์นะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยองค์ที่ห้ามารู้อีกว่ารู้ไ right อ eh ้องค์ที่สี่พูดว่าเขาไอ้องค์ที่ห้าก็พูดว่าอกว่าไอ้ท่นไปว่าเขาเนี่ยท่านก็พูดไม่ใช่เหรอไอ้องค์ที่หกมารู้ไอ้องค์ที่ห้าพูดไอ้องค์ที่หกก็ว่าไอ้งค์ท่ห้าว่าไอ้ท่านมารู้เขาว่าเขาเนี่ยท่าน องที่เจ็ดองที่แปดองที่เก้าจนเราตายอ่ะทุกองค์พูดหมดทุกองค์พูดหมดเลยทุกองค์ที่พูดเนี่ยคือตัวเราตัวเราที่กำลังพูดในทุกขณะปัจจุบันที่รู้อะไรแล้วก็พูดรู้อะไรแล้วก็พูดรู้แล้วก็พูดนี่แน่คือตัวเราที่พูดในปัจจุบันไอ้ตัวเนี้ยรู้ลุกมันจะคิดติดต่อรู้แล้วจะพูดคิดรู้แล้วคิดติดต่อรู้แล้วจะพูดมันจะพูดไม่หยุด เนี่ยอย่างนี้เนี่ยจนกว่เราจะตายไม่ว่าเราจะรู้อะไรมันจะพูดไม่หยุดตลอดเวลามันยกเว้นอยู่ตัวเดียวคืออหรหันต์อยู่องค์หนึ่งในนั้นที่มารู้ตัวเราที่กําลังพูดไอตัวนั้นอ่ะไม่พูดมันคิดติดต่อไม่ได้มันพูดไม่ได้ดัะนั้นเป็นวิสังขารหรือเป็นอสังกตธาตุหรือเป็นจิตเดิมแท้ไอ้นั่นนะคุณสุ บ, บัติเขาบอกพูดไม่ได้มันคิดไม่ได้ส่วนที่แจ๊คบอกว่า โอ้ยังงั้นเราเราเห็นได้แล้วเราก็เราก็เห็นมันคิดไปเรื่อยๆใช่ไหมเห็นมันมีอารมณ์ไปเรื่อยเราก็เห็นมันไปเรื่อยเราอย่าไปยุ่งกับมันเราเห็นมันคิดไปเรื่อยๆแล้วเราก็อย่าไปยุ่งกับมันมันคิดอะไรแล้วอย่าไปยุ่งกับมันเห็นมันคิดไปเรื่อยมีอารมณ์ไปเรื่อยเราอย่าไปยุ่งกับมันอย่าพยายามไปดับมันแล้วเราอย่าปล่อยให้มันไหลไปกับความคิดเหล่านั้นใช่ไหมถ้าเราไปเห็นอย่างเงี้ยนะมันก็เหมือนกับเปียบเหมือนอย่างเงี้ยมันเปียบเหมือนกับว่าพระองค์แรกเห็นไอ้พัดเห็นลมพัดหน้าต่างเปิดมาแล้วมาโดน มามามาทำให้ไฟเทียนดับพระองค์แรกอะไรพูดขึ้นว่าเฮ้ยไฟเทียนดับแล้วสมมุติว่าพระองค์แรกเนี่ยพูดไปเรื่อยๆเฮ้ยไฟเทียนดับเดี๋ยวนัไนใครไม่ใครไม่เอาไฟมามาจุดเนี่ยเราจะนั่งในมืดๆอย่างนี้ต่อไปเหรอน่สมมติว่าพระองค์แรกพูดไปอยู่นะส่วนพระองค์อื่นก็นั่งนั่งนั่งดูไปองค์ที่สองอ่ะองค์ที่สองก็นั่งดูไปองค์ที่สอง สมมติองค์ที่สองพูดองค์ที่สพูดองค์ที่สี่พูดองค์ที่ห้าพูดแต่เราไม่รู้องค์ที่สององค์ที่สามองค์ที่สี่องค์ที่ห้าพูดแต่เราไม่รู้แต่เราดูแต่องค์แรกพูดองค์เดียวตอนที่องคแรกมันพูดองเดียวแต่ไอ้องค์ที่สองเนี่ยมามาลุ้นปุ๊บมันก็ต้องพูดองค์ที่สมมารู้ก็ต้องพูดองค์ที่สี่มาลุ้ก็ต้องพูดองค์ที่ห้ามาล้ก็ต้องพูดแล้วก็ทุกองค์มารู้ก็คือจิตวิญญาณขันทุกองค์เนี่ยเหมือนพระทุกองค์เเเนีี่่่่่่ยยยทาาารููอองงงค์ตตลดดดววพแแไป อย่างนั้นเราก็ฝึกด้วยว่าเรา เ, เนี่ยเราคิดอะไรเรื่องเราอะไรเราก็ปล่อยมันคิดไปแล้วเราหยิบมักลับ ม, มาแล้วเราก็ไม่เข้าไปผักไสมันเราก็รู้ไปเรื่อยๆว่ามันจะคิดอะไรปล่อยมันคิดไปเรื่อยๆปล่อยมันคิดไปเรื่อยๆอันนี้ ผ, นผิดนะผิดคืออย่างเนี้ยเราก็รู้แต่องค์แรกพูดอ่ะแล้วองค์ ท, ท, ที่สองพูดองค์ที่สพูดองค์ที่สพูดองค์ที่ห้าพูดที่มารู้อะไรก็ต้องไปพูดรู้อะไรใหม่ก็ต้องพูดรู้อะไรใหม่ก็ต้องพูดมันมีตัวใหม่อ่ะ จิตวิทยาหาตัวใหม่ฮะเกิดขึ้นมารูแล้วก็พูดเกิดมารู้แล้วก็คิดติดตองแล้วก็พูดอยู่ในใจเกิดมารู้แล้วคิดติดตอนแล้วพูดในใจตลอดเวลาเลยเราไม่ได้รู้ไอ้ตัวในอ่ะไอ้ตัวไหนก็ไปเรื่อยตัวใหม่อ่ะแต่เรารู้แต่อันเดียวรู้แต่ว่าความคิดและอารมณ์เดียวที่มันเกิดขึ้นแล้วดูว่ามันคิดไปเรื่อยๆมันจะคิดอะไรปล่อยมันคิดไปเราแค่รู้มันไม่หลงไม่กลับมาแล้วก็แค่์หกับตาไปลูมันอันนี้ผิดนะผิดผิดคือเราก็อย่างเงี้ยเรากลายเป็นคนคิดไปเรื่อยเลย เราคิดอะไรไปเราไม่รู้ไปหมดอะทำไมเราจะไม่รู้ว่าเราคิดอะไรแต่อย่างเนี้ยเราเนี่ยหลงคิดหลงคิดเรื่อยเปื่อยเลยไงพออย่างเงี้ยฝึกแบบเนี้ยเราหลงคิดเรื่อยเปื่อยเลยอย่างเงี้ยฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านทั้งวันไม่ถูกนะเนี่ยผิดเราไม่ได้รู้ที่จิตวิญญาณขันเนี่ยแต่เราไปรู้ธรรมอารมณ์คือไปรู้แต่ความคิด no right, <that> <the hockey. S 1> <that> ไปรู้แต่ธรรมอารมณ์คืออาการที่ถูกรู้ไปเรื่อยๆแล้วปล่อยให้ธรรมอารมณ์เนี่ยมันไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราไหลนะเราไม่ได้มารู้ที่ ไอ onie, ้ผูร้รู้แต่เราไปรู้ที่อาการที่ถูกรู้คือความคิดหรืออารมณ์ที่ถูกรู้แล้วเราก็รู้แต่ความคิดหรืออารมณ์ที่ถูกรู้อันเดียวแล้วเราก็ปล่อยมันคิดไปเรื่อยไหลไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้มารู้ที่ผู้รู้ที่ว่ามัไอ delight, ้ผู้รู้เนี่ยมันรู้อะไรแล้วมันต้องคิดติดตองแล้วไอ้ผู้รู้หรือจิตวิญญาณ <ๆ S 1> ขันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมีสภาพรู้เพียงแค่เสี่ยวนิดทีเดียวพอมารู้เสร็จปุ๊บมันก็คิดติดตองหรือเหมือนภากอยู่ในใจกลายไปเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทันทีกลายเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ทันทีเลย มันจะเป็นผู้รู้เพียงเเสี่ยววิธีเดียวแล้วมันแป๊บเดียวมันก็จะกลายเป็นความคิดติดตองแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้เรื่อย ไ, ไปอันใหม่เรื่อยไปแล้วมันจะเกิดจิตวิญญาณฐานาาตัวใหม่เกิดผู้รู้ตัวใหม่ามารู้ปุ๊บแล้วตัวมันก็คิดติดตองดังนั้นเน่ะไอ้ผู้รู้เนี่ยมันจะเกิดเร็วดับเร็วมากเลยเพราะมันเกิดแต่เป็นผู้รู้เเสี่ยววิธีเดียวแล้วมันก็กลายไปเป็นในธรรมอารมณ์และกลายไปเป็นสิ่งที่ถูกรู้เพราะว่ามันจะต้องมีไอ้จิตวิญญาณฐานตัวใหม่เนี่ยมารู้ว่า ให้ตัวแรกมันพูดว่าไงมันภาคอยู่ในไงในใจแล้วพอมันเสี่ยวเนียวที่มารู้ปุ๊บตัวมันก็กลายไปเป็นตัวภาคซะเองมันเลยกลายเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วก็มีตัวใหม่มารู้มันมันก็เลยเหมือนรู้พระทุกองคเนี่ยที่ไปรู้องค์แรกพูดไอ้พระองค์ที่สองก็พูดว่าไปว่าก็คุณไปว่าเขาเนี่นแหละคุณก็พูดองค์ที่สมมารู้อีกคุณไปว่าเขาคุณก็พูดองค์ที่สี่มารู้เขาก็คุณว่าเขาคุณก็พูดคือมารู้ที่พูดรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าไปรู้อาการที่ถูกรู้หรือรู้อารมณ์ที่ถูกรรรรููู้้้หือไ่คความิด ที่ว่าเราคิดอะไรแล้วก็ปล่อยมันคิดไปเรื่อยๆเราก็รู้ไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวเราผู้ไปรู้ความคิดมันภาคว่าอะไรคืออจิตวิญ ญ, ญ, ญ, ญ, ญาณขันต์ตัวใหม่เนี่ยที่ไปรู้แล้วมันคิดติกตองว่าไงมนะันพูดว่าไงถ้าเราไม่มารู้ที่ตัวเราผู้รู้เนี่ยที่มันคิดได้ภาคได้อยู่ตลอดเวลาเป็นตัวใหม่ภาดได้ภาคได้ตลอดเวลาอันนี้เราจะหลงตลอดแต่ถ้ารู้ว่าตัวเราคิดเนี่ยไอย้ผู้ที่รู้ตัวเราคิดเนี่ยมันคิดไปได้ตัวนั้นเนี่ยมันปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นวิสังขารเป็นอสังขารธาตุเป็นสุญญตาา เป็นพุทธะเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมมันไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทาลายมันคิดติดตอปรุงแต่งไม่ได้ไอ้ตัวที่คิดติดตอปรุงแต่งได้มันคือตัวเราทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดไอ้ตัวนี้มันคิดติดตอปรุงแต่งได้คือตัวเราที่มันเป็นต้องแตกต้องดับต้องตายคือขันห้าไอ้ขันห้าเนี่ยมันรู้ตามทวารรู้ตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในใจเรามีอารมณ์มีอะไรมีมีอารมณ์อะไรมีความคิดอะไร ไอ้ผู้ที่ไปรู้ภายในใจเรามีอารมณ์อะไรมีเอาคิดอะไรไอ้ตัวนั้นน่ะมันก็มันต้องรู้ทั้งคิดด้วยมันก็เป็นวิญญาณขันด้วยไอ้แต่ที่มารู้ว่าไอ้ตัวที่ผู้รู้ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดเนี่ยมันเป็นขันห้าไม่ใช่ตัวเราไอ้ผู้ที่มารู้ว่าตัวเราเนี่ยต้องรู้ทั้งคิดไอ้นั่นเนี่ยคือมันคือวิญญาณธาตุคือธาตุว่างเปล่าที่คิดปลุกปลอมตัวมันคิดปลุกปลอมปรุงแต่งไปได้ตายแล้วก็หายไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเรามาจากความว่างเปล่านั่นแหละคือมมมมีีต่คววารู้สไ